ธรรมกรรมทวาทสกะว่าด้วยอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติที่ชอบทำสิสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่ง ลงต่อหน้าสองลงโดยสอบถามก่อนสามลงตามปฏิญญาภิกสุทั้งหลายอุเขปณิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่สองพิสุทั้งหลาย อุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงเพราะต้องอาบัติ 2. ลงเพราะอาบัติที่เป็นเทศนาคามินี 3. ลงเพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดงภิกษุทั้งหลาย อุกเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมดที่สภิกษุทั้งหลายอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม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 และระงับดีหมวดที่4ภิกษุทั้งหลายอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินยัยและระงับดีคือ 1. ลงต่อหน้า 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลง ภิกษุทั้งหลายอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติประกอบได้องค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่หภิกษุทั้งหลายอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติประกอบได้องค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม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 หมวดที่ 6. ภิกษุทั้งหลายอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตประกอบได้องค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงตามปฏิญญา 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลาย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 เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. นงลงเพราะอาบัตที่ยังไม่ได้แสดง 2. ลงโดยชอบธรรม 3. สงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัย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 เป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งให้จําเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายอกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่ 12. ภิกษุทั้งหลายอุเขปณิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยชอบธรรม